อุณหภูมิมเช้าสิบเจ็ดกรุงเทพก็เย็นเหมือนกันแต่กรุงเทพแพ้ที่นี่ตงที่นี่เป็นช่องเขาลมแรงงั่ความรู้สึกเราจะต่ำกว่าสิบเจ็ดเยอะกรุงเทพมีแต่ตึกร้อนทั้งวันร้อนทั้งคืนตึกบ้านเมืองก็เปลี่ยนไปมากนะช่วง ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยการทำาโิชีวิตแะ้วก็เปลี่ยนไปหมดนะมันคนเน่เครียดปรับตัวไม่ได้ยิ่งคนอายุเยอะขึ้นไม่รู้จะปรับตัวยังไงตอนเราพ่เด็กๆนะบ้านเมืองมันวุ่นวายแลย้ว อันธพาลก็อเยอะอะไรเนี่ยแต่เราเด็กเรารู้สึกบ้านเมืองสงบสบายไม่ต้องมีภาราอะไรกินเล่นนอ น, น, นวันๆโตขึ้นมาก็เรียนหนังสืออาศัยเรียนเก่งไม่เป็นไรเลีนบ้างเล่นบ้างก็ยังสอบได้ที่หนึ่งมาถึงวันนี้น้าชีวิตผู้คนเปลี่ยนไปหมดละเมื่อก่อน คนเดินอยู่ตามถนนเดี๋ย น, นี้คนลงไปอยู่ใต้ดินเยอะขึ้นเนีย่ยขึ้นเดินทางอยู่ใต้ดินนะก็มุดเข้าไปในตึกเลยมันอย่างบางประเทศเนงะียบเลยไม่ค่อยมีคนนะให้เราเห็นนะที่แท้มันอยู่ใต้ดินเนี่ยเมืองไทยกําลังเป็นแบบนั้นออกออกจากใต้ดินแลนะก็ขึ้นตึกไปเลย คนไม่ค่อยรู้จักกันต่างคนต่างอยู่มากขึ้นมากขึ้นคนก็ปรับตัวไม่ได้วิธีทำมาหากินเปลี่ยนไปหมดอาชีพที่เคยหากินได้ก็ลมหายไตจากไปหากินไม่ได้อย่างพวกร้านโชว์หวยร้านอะไรก็ไม่มีเหลือแล้ว ชีวิตมันเปลี่ยนที่ที่มันเปลี่ยนตลอดนะอย่างคนโบราณเดินทางด้วยเรือตลาดน้ำก็คับข้างก็มีถนนเ้าไปนะตลาดน้ำก็ตายไปนี่สังคมช่วงนี้มันเปลี่ยนเร็วมากนะอาชีพหลายอาชีพนะย่ำแย่นึกไม่ถึงเนะมื่อยี่สิบ ป, ปีก่อนนะใครจะนึกอาชีพ ขับเรือบินเนี่ยจะลําบากเครื่องสายการบินเจ๊งกันเลยในละนาดตอนนี้ยโลคัสแส่เจ๊งเลยแข่งกันล้นราคาอาชีพหมอต่อไปก็จะลําบากนะชีพหมอเทคโนโลยีมันเริ่มเข้ามาแทนที่คนตรวจโรคอะไรเนี่ยต่ไปใช้เครื่องตรวจความรู้มัน เยอะกว่าคนอย่าหมอเป็นสาขาสาขาเครื่องนี้อินทิเกรตรู้ทุกสาขาอยู่พวกหมอให้ลำบากภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนะก็ะต้องความยากลำบากในการทํมาหากินคนซึ่งปรับตัวไม่ได้ ได้รับความทุกข์ความทุกข์มากพวกปรับตัวได้พวกยังมีกำลังปรับตัวได้ไมาอยู่ได้แต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธจริงๆนะเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงได้เรารู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนตลอดเวลาไม่มีอะไรคงที่หรอก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือการเมืองหรือสังคมเปลี่ยนตลอดนะเพี่ยงแต่ช่วงนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วทุกทุกอย่างก็เปลี่ยนเร็วไปหมดอย่างการเมืองเดี๋ยวนี้แทบทุกคนเล่นการเมืองได้เขียนลงอินเทอร์เน็ตมีความคิดมีความเห็นอะไรเงนะี้ ยึดในความคิดความเห็นตัวเองมากๆาก็ทะเลาะ ก, กันรุนแรงใช้ความรุนแรงกันเรามาภาวนานะเพื่อให้ใจมันยอมรับความจริงว่าไม่มีอะไรที่คงที่หรอกทุกอย่างต้องเปลี่ยนสมัยโบราณก็เปลี่ยนช้าหน่อยมันเคยทำนามาพันปีแล้วยังทำเหมือนเดิมไม่ค่อยเปลี่ยน ตอนที่คนเขาคิดจอบขึ้นมาได้นะก็มีการปฏิวัติการทำไร่ทํานาไปรอบนึงแค่จอบอันเดียวเนะี่ยจอบเหล็กผลิตได้มากขึ้นตอนมีเครื่องจักรไอน้าคนส่วนหนึ่งก็ตกงานไปปรับตัวไม่ได้เสร็จแล้วก็ปรับตัวได้ก็ปรับตัวไม่ได้ก็สลายไป ถ้าเราเป็นชาวพุทธเราจะมองทั้งระบบไม่ได้มองเป็นจุดๆหรอกเราจะเห็นว่าทุกอย่างไม่คงที่หรอกแล้วก็กระแสของการเปลี่ยนแปลงมันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะไปยับยั้งมันต้านมันไม่ได้ความเปลี่ยนแปลง อันหนึ่งนะที่พวกเรานึกไม่ถึงวิชาทัน์ของมนุษย์เนี่ยเสื่อมซ้ำลงเรื่อยๆเพราะการแพทย์มันดีพวกไม่แข็งแรงมียีนด้อยพวกอะไรพวกนี้ยมันก็มีชีวิตรอดมันแพร่พันธุ์ไปได้เรื่อยๆเพราะฉะันสายพันธุ์มนุษย์เนี่ยกําลังเสื่อมลงคนอ่อนแอมากขึ้นมากขึ้นนะสายพันธุ์มนุษย์อย่างพวกผู้ชาย กำลังจะหมดไปมันอ่อนแอลงเรื่อยๆยียนของผู้ชายมันอ่อนแอกว่าผู้หญิงอยู่แล้วอย่างนี้เป็นวารเปลี่ยนแปลงที่เรามองไม่ออกเรามองออกแต่ว่าเศรษฐกิจเปลี่ยนการดํารงชีวิตเปลี่ยนสังคมก็เปลี่ยนปู่ย่าตายายแต่เดิมมีความหมายยุคถัดมาไม่มีความหมาย ยุคนี้พ่อแม่เขาไม่มีความหมายแล้วเด็กพอโตขึ้นหน่อยก็ไปจากบ้านล้ถ้าเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราจะทุกข์มากถ้าเราเข้าใจมันแล้วก็ปรับตัวถ้าปรับตัวได้การดำารงชีวิตเราก็ยังอยู่ได้ถ้ายอมรับได้ปรับจิตใจได้เราจะไม่ทุกข์ นี่บางคนปรับจิตใจได้แต่ปรับตัวไม่ได้มีนะไม่รู้จะดารงชีพยังไงธรรมากินไม่ถูกเลยเมื่อก่อนแค่ทำงานเก็บเงินไว้นะเท่านี้เท่านี้ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละสิบอะไรอยู่ได้ตลอดชาติเดี๋ยวนี้อยู่ไม่ได้ไม่เปลี่ยนไปหมดละถ้าเราปรับตัวได้เราก็อยู่รอดได้ แล้วก็ถ้าเราปรับใจได้เราจะไม่ทุกข์การปรับตัวนั้นหลวงพ่อสอนเราไม่เป็นหรอกพาหลวงพ่อก็ปรับไม่ถูกเหมือนกันยุคนี้แค่เข้ากรุงเทพก็ไปไม่ถูกแล้วออกจากกรุงเทพมายี่สิบปีเนะเข้าไปนะไปไหนมาไหนไม่ถูกมันหน้าตามันแปลกแปลกไปหมดนะ พรก็ต้องปรับตัวนะพระเมื่อค่อนคนอยู่กันเป็นหมู่บ้านพระไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแต่ทีนที้คนอยู่บนตึกพระขึ้นไปบิณฑบาตบนตึกไม่ได้เนี่ดูจะทํำยัำยงไงละ่ะยืนรออยู่ใต้ตึกเขาก็บอกทําไมไม่ไปเดินมายืนเฉยๆนะเดินไปไหนฮะมันตึกเท้านั้นเลยนะ ไปพระก็จะลดลงลดลงนะเพราะไม่มีข้าวกินอะไรอะไรก็ต้องเปลี่ย น, นเรายอมรับได้เราไม่ทุกข์หรอกมันก็ธรรมดารู้สึกมันธรรมดาจะ ต, ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเราปรับตัวได้ด้วยเราก็อยู่รอดคนไหนปรับตัวได้เก่งปรับตัวได้เร็วก็ชนะร่ำรวยขึ้นมาทุกวันนี้วัด ชัยชนะด้วยความร่ารวยรวยอยู่ดีๆนะอีกวันหนึ่งเทคโนโลยีเปลี่ยนที่เคยรวยเจ๊งไปละเอาแน่ไม่ได้เลยงั้นจะพยายามปรับตัวนะถึงจุดหนึ่งเราก็วิ่งตามไม่ไหวไม่มีใครจะมีกำลังที่จะวิ่งตามความเปลี่ยนแปลงได้ทันตลอดชีวิตหรอกถึงจุดหนึ่งกำลังเราก็ไม่พอ เดิมเราอย่างเราทำธุรกิจเรามีทีมช่วยกันทำแต่มาทีมเราก็กระจายกระจายร่มหายตาย้จากแล้วอยู่ตัวคนเดียวไปทำอะไรได้ทีมใหม่ๆเกิดขึ้นมาธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมาอย่างธุรกิจเป็นออเปเรเตอร์มือถือนะหากินได้สบายอยู่ช่วงหนึ่งตอนนี้ไม่ค่อยสบายแล้ว ถ้าเมื่อไรวิทยาการเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนอย่างตอนนี้บริษัทใหญ่ๆยักษ์ให ญ, นะใหญ่ทางโทรคมมันเริ่มจะรวมตัวกันปล่อยดาวเทียมที้งเป็นหมื่นๆมื่นดวงแล้วต่อไปให้ใช้ไวไฟฟรีพวกออปเปอเรเตอร์แต่ละยี่ห้ออยู่ไม่ได้ไม่มีเงิน เคยบูมนะนจนหนึ่งก็อยู่ไม่ได้เนี่ยไม่มีใครหรอกที่จะปรับตัวได้ตลอดไปปรับตัวได้ชั่วครั้งชั่วคราวาก็ผลแปลงแต่มาปรับใจของเราเนี่ยเราทำได้วิธีการปรับใจของเราคือพาใจให้เรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจเรา ร่างกายเราเที่ยงหรือไม่เที่ยงร่างกายเรามันควบคุมได้ไหมบังคับได้ไหมรู้สึกไหมร่างกายกําลังถูกบีบคั้นให้เสื่อมลงไปเรื่อยๆใครรู้สึกไหมร่างกายเราเนี่ยถูกบีบคั้นให้เสื่อมลงเรื่อยๆที่จริงอายุยี่สิบขวกว่าขึ้นไปมันก็เริ่มเสื่อมลงแล้วนะแล้วมันจะเห็นความเสื่อม หลักๆเนี่ยเป็นช่วงๆไปอย่างคนโบราณใช้รอบสิบสองปีมีเหตุผลนะสิบสองปีแรกคือวัยเด็กสิบสองปีต่อมาเนี่ยเป็นวัยที่กำลังเติบโตวัยที่เรียนรู้อะไรต่อไปสิบสองปีต่อไปถ้าแต่ยี่สบห้าขึ้มาทำไมกำหนดยี่บห้าเป็นวัยเบญจเพศยี่สิบห้ายังตั้งหลักไม่ได้ทามาหากินไม่เป็นชีวิตนี่ลำบากแล้ว ถึงสามสิบหนะเป็นช่วงที่มีไฟในการทำงานช่วงนี้ยังโตไม่ได้รอบที่สี่สามเจ็ดถึงสี่สิบแปดเนี่ยมันเป็นเริ่มรอบที่สะสมประสบการณนะ์แต่กำลังทางร่างกายมันเริ่มลดลงพวกนี้มีประสบการณ์ถ้าจากนั้นเริ่มเข้าสู่วัยเสือมแล้วสี่สิบเก้าขึ้นไปถึงหกสิบ เข้าสู่วยเสื่มนะเกินนั้นเข้าไปก็เสืิมมากเสริมมา ก, มมากนี่ชีวิตแต่ละช่วงแต่ละชั้นไหวนะแต่ละชั้นส2บสองปีส2บสองปีมีความเปลี่ยนแปลงพระวุทธเชาตััสรู้ตอนอายุเท่าไหร่สามห้าีนะสามหกอย่างสามารถ เป็นช่วงที่มีพลังเข้มแข็งที่สุดสติปัญญาก็าปราดเปรียวว่องไวตัวเราตอนนี้เท่าไหร่แล้วผมรู้อย่างหลวงพ่อใกล้เจ็ดสิบแล้วเป็นวัยที่ความสามารถในการปรับตัวนี่ลดลงอย่างอากาศเย็นปรับตัวให้เข้ากับอากาศเย็นไม่ได้ ต้องพยายามปรับตัวนะเคยใช้พัดลมแล้วเปลี่ยนมาเป็นฮีเตอร์ไ่เงี้ยไม่มีทาไงอัตวนาไปนะเราจะรู้ว่าชีวิตเราเปลี่ยนในทุกชั้นวัยทุกชั้นทุกชั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าใจยอมรับได้นะก็จะเห็นนะร่างกายเราก็เปลี่ยน ความรู้สึกในคิดของเราก็เปลี่ยนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นนักศึกษาเนี่ยรู้สึกไหมความคิดรุนแรงผู้ใหญ่จะรู้สึกเด็กรุนแรงตอนตัวเองเป็นเด็กอย่างนั้นก็รุนแรงเหมือนกันพอโตขึ้นมาเนะี่ยความคิดก็เปลี่ยนเปลี่ยนมีนักปราชญคนหนึ่งนะชื่อเพลโตพวกเรียนรัศสตรจะรู้จัก ตอนแกหน่หนุ่มๆนะีความคิดแก่แรงคิดแรงให้ปกครองโดยผู้นำที่ชาญฉลาดอเงี้ยพอแก่ๆลงแคนะ่นล้นต้องปกครองด้วยกฎหมายเปลี่ยนวิธีมองประสบการณ์มันสอนอย่างพวกเด็กนักศึกษาเนี่ยจะรุนแรงเป็นธรรมชาติสมัยเราเราก็แรง มาถึงวันนี้เราไปมองเด็กนะแต่ไม่เข้าเรื่องนะไม่ชอบใจเด็กไม่ต้องไม่ชอบมันหรอกเดี๋ยวมันโตขึ้นมันก็เปลี่ยนมันไม่อยู่อย่างเดิมหรอกบางคนนะมีอุดมการ์มากมายรักชาติรักประชาชนมากมายยอมตายเพื่อชาติเพื่อประชาชนโนะตขึ้นมาก็ขี้โกเหมือนไอ้พวกที่ขี้โกงมาแล้วนะก็เหมือนกัน แต่นั้นมันเปลี่ยนตามยถ า, ากรรมนะเปลี่ยนไปตามยถ า, ากรรมของเราชาวพุทธเรต้องดีว่านั้นมาเรียนรู้ตัวเองนะเรียนรู้ตัวเอง เ, เห็นเลยร่างกายเราก็เปลี่ยนตลอดเวลาความรู้สึกนึกคิดของเราก็เปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนตามชั้นหวัยหรอกนะในแต่ละวันเนี่ยความรู้สึกเรายังเปลี่ยนเลยตื่นนอนมา อากาศเ ย, ย็นยังอยู่บนเตียงมีผ้าคลุมผ้าหม่มอุ่นตื่นมาหน้าหนาวรู้สึกมีความสุขไหมถ้าตื่นมาหน้าร้อนไม่ได้อยู่ห้องแอร์ใช่ไหมนุน่นผ้าหม่มลงไปอยู่ใต้เตียงแล้วตั้งแต่กลางคืนแมาตื่นมาเช้าๆมีความสุขจังไลยดูหนาวสังเกตไหมแต่ละฤดูเนี่ยช่วงเวลาที่มีความสุขไม่เหมือนกัน ฤดูร้อนมีความสุขตอนไหนช่วงไหนพวกอยู่ตึกอยู่ห้องแอร์ไม่รู้ว่าถ้าคนติดดินจะรู้ช่วงเย็นเย็นอะมีความสุขเมื่อก่อนถึงไปเล่นบ้าวที่สนามหลวงกันตอนเย็นเย็นตอนเที่ยงไปเล่นได้ไหมไม่ได้ฤดูร้อนใช่ตอนเย็นสบายอย่างบ้านเราเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยตอนเช้าสบายทาไมตอนเช้าจะสบาย พอต่อไปนี้มันจะเริ่มอุ่นขึ้นนะดวงอาทิตย์กำลังมาเยื่มเยือนแล้วอุ่นขึ้นถ้าหน้าร้อนเนี่ยพระอาทิตย์จะไปแล้วก็มีความสุขนะเนี่ยโดยธรรมชาตินะมันก็เป็นนะแต่โดยความปรูงแต่งที่เราใส่ใส่เข้ามาเราก็เลยห่างธรรมชาติเราก็ไม่รู้ก็ความรู้สึกเราเปลี่ยนนะในวันเดียวกัน น, ะนี่ถ้าดู ความรู้สึกจยกดินฟ้าอากาศไม่ได้ทำยังไงอ่ะชีวิตทุกวันนี้อยู่ในปึกอยู่ในจอใครใช้ชีวิตอยู่ในจอมือถือเยอะๆบ้างยกมือซิสารภาพมาไม่ใช่น้อยอย่างเนี้ยไม่ยอมสารภาพใครใช้เวลาเฝ้าจอมากกว่าวละสีชั่วโมงมีไหม ยกมือซียกมือยกมือเยอะวันนี้นะเวลาดูจอจิตเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอนี้เปลี่ยนเร็วมากเลยเราแค่ไปเขียนอะไรบ้าๆบา่ๆนะวันนี้วันเสาร์สวัสดีวันเสาร์โอเพื่อนมากดไลค์ห้าร้อยคนนะพองแล้วใช่ไหม วันนี้เอาธรรมะหลวงพ่อประโมทไปโพสมีคนมาดูห้าคนใจใจเยี่ยวเลยก็จะบ้าๆปบๆเนีาบาบ่ยคนดูเป็นแสนนะธรรมะเราคนดูพันๆนะก็เยอะแล้วเนี่ยดูจอเยเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเมื่อก่อนจะบวชนะหลวงพ่อเขียนอยู่ที่พันทิ์ เห็นอยูที่วันทีมเราก็ดูใจของเราไปเรื่อยๆเราก็าภาวนาของเราได้บางคนไม่ได้ภาวนาชอบมาเขียนอะไรแล้วคนเข้าไปด่าคนเข้าไปด่านี้ก็มีสองพวกพวกหนึ่งเสียใจพวกหนึ่งโกรธตรกูลโทสะทั้งคู่นะงั้นจริงๆดูเรื่องราวทั้งหลายข้อมูลทั้งหลายในอินเทอร์เน็ตเนี่ยใจเราเนี่ยก็เพิ่มแรงนะไม่ใช่ไม่กระเพิ่ม เดี๋ยวก็มีอะไรที่ดราม่าเ น, นี่ยตำรวจนี่ดีช่วยคนแก่ข้ามถนนอเงี้ยโอ้ดีตำรวจเมืองไทยดีเยอะแยะเลยก็ผ่านอันนี้ไปนี่ตำรวจตั้งด่านโอ้เลวระยำนะรู้สึกความรู้สึกนะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาความรู้สึกที่พลิกพลิ้วอย่างเนี้ยเกินควบคุมนมันคนบ้านนะ มันก็ใกล้บ้าเข้าไปทุกทีแล้วแต่เขาเรียกบ้าอินเทอร์เน็ตแทนที่จะบ้าเฉยๆนะมาเรียนรู้หลวงพ่อห้ามไม่ไหวแล้วแต่พระเนี่ยหลวงพ่อยังห้ามเล่นอยู่ถ้าพระขืนไปเล่นนะเรนเอลนาดเจ๊งแน่นอนดูๆอยู่มีรูปโป๊ดีขึ้นมาอย่างงี้นะขายบริการอย่างเงี้ยปลูขึ้นมาพระผูถือชนอยู่ไม่ไหวหรอก เดี๋ก็พังน้องพ่อไม่ให้พระเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ให้พระเล่นมือถืออย่างน้อยก็อย่ามาเล่นให้เราเห็นคนไหนแอบเล่นก็อยู่ไม่ไหวก็สึกออกไปเ้าซึ่งเขาเองเก็อยู่ไม่ไหวพวกที่อยู่ได้ก็อยู่ในระเบียบวินัยอะไรแต่เดิมห้ามสถานที่อโคจรนะเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตคือที่อโคจอน เอไปแล้วดีไม่ดีพังเลยนี่อย่างพวกโยมเนี่ห้ามมันไม่ได้มันจะเล่นนะห้ามไม่ได้ก็ดูใจไปด้วยดูอันนี้แล้วใจเป็นยังไงดูอันนี้แล้วใจเป็นไงเห็นคนแก่ถูกทอดทิ้งโอหสงสารมีคนไปช่วยนะปลื้มน้ําตาไหลแม่ตัวเองอยู่บ้านมันเคยดูเลยน้ําตาไม่อยากจะไหลอะไรงี้ยใจมันถูกผิว ถูกกลุ่มบิ้วมันไม่ใช่กําพืชของเราจริงๆมันถูกบิ้วขึ้นมาเรื่อคอยวัดใจตัวเองไปเวลาเห็นข่าวอันนี้ใจเป็นยังไงเห็นข่าวนี้ใจเป็นไงอย่างเราไม่ชอบนักการเมืองคนเนี้ยนักการเมืองคนเนี้ยถูกตำรวจจับเอาไปขึ้นศาลดีใจไหมดีใจไอ้นี่ตัวแสบ โดนจับขึ้นศาลแล้วสมน้ำหน้ามันถัดจากนั้นก็นั่งลุ้นศาลทำไมตัดสินช้าแล้วไะเอามันติดคุกไปเลยอย่างนี้ใครมันจะกลัวใจเริ่มทุรนทุรายแล้วเนี่ยวัดใจตัวเองไปพศาลตัดสินออกมารอลงอาญา โ, โมโหแม่เนี่ว่ามันจะติดคุกมันเดินเหยียบหางหมาแท้ๆเลยทำไมมันไม่ติดคุกอย่างเงี้ย เรื่อใจที่มันแกว่งขึ้นแกว่งลงแกว่งขึ้นแกว่งลงเนะี่ยอย่าปล่อยให้มันแกว่งแบบเปล่าๆมีสติตามรู้ตามระลึกไปนี่วันนี้สอนธรรมะเอาใจโลกเต็มที่แล้วนะถ้าแกว่งแล้วไม่รู้เนะี่ยไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็เป็นชาวโลกเต็มตัวต่อไปก็ปรับใจไม่ได้ก็ปรับตัวไม่ได้ก็นอนจมความทุกข์ไป ก็นะมาฝึกปรับใจตัวเองยให้เห็นในะความจริงของใจมันแกปรขึ้นแ่งลงตลอดเวลาเห็นข่าวนี้ใจเป็นอย่างนี้เห็นรูปอย่างนี้สวยๆใจเป็นอย่างนี้ใจเปลี่ยนตลอดเวลานะบางคนก็อ้างนะต้องดูเน็ตเพื่อจะได้ดูรูปอสุภะรูปอสุภะมันมีให้ดูซะที่ไหนอะมันมีน้อยเต็มทีนะมันมีแต่รูป ที่ไม่ควรจะไปดู<ม>นักปฏิบัติพวกละนะอ้างเคยมีนะขอซื้อแท็บเล็ตอะไรพวกนี้จะอ่านพระไตรปิฎกน่นในตู้ม <c oughs> ีไม่สะดวกหลวงพ่อเรียนธรรมะมาจากตู้พระไตรปิฎกนะทำไมตอนนี้จะเปิดพระไตรปิฎกอ่านเนี่ยไม่สะดวกเนะ สุดท้ายก็อยู่ไม่ได้เร่าร้อนแอบไปซื้อมือถือจอใหญ่ๆมือถือบ้าอะไรก็ไม่รู้เราเคยเห็นอันใหญ่อย่างนี้นะแล้วโทรศัพท์ได้นะโอ้โหอาสจรร์ยิย่งชินเลยทรมานตัวเองแท้แท้เลยที่จริงคือจะเอาไว้อ่านน้นจะไปดูน้นดูนี่นั่นแหละเลี่ยงห้ามเลี่ยงนะพวกปลาเนี่ย ไม่ใช่หลวงพ่อลงโทษเรากิเลสเราลงโทษเราเองผ้าเหลืองร้อนนะอยู่ไม่ได้ทางนี้เราไม่ว่านะไม่ได้ถือนิสัยเรานิสัยยังไงก็ช่างท่านเถอนะพวกนี้ถือนิสยัยแล้วเอานิสัยหลวงพ่อไปใช้นี่ท่านเป็นอาคารตุกะัะวัดใจตัวเองไปนะทุกคราวที่ตามองเห็นใจเราเปลี่ยน ทุกคราวที่หูได้ยินเสียงใจเราเปลี่ยนทุกคราวที่จมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรดกายกระทบสัมผัสทุกคราวที่ใจคิดนึกความรู้สึกเราเปลี่ยนมีสติรูป้ไปอย่างเรามีเพลงที่เราชอบสักเพลงหนึ่งนะชอบชอบแล้วก็ไม่มีคนเปิดมานานแล้วหายไปจากตลาดพร้อมๆกับแผ่นเสียงที่ขายหมดซีดีขายหมดแล้วหายไปหมดละ ไม่มีใครเปิดอีกแล้วแมมเราคิดถึงเพลงนี้มากเลยถตามามีคนมาร้องใหม่เอาเพลงเดิมมาร้องอะ่ะแต่นักร้องคนละคนเราเคยวัดความรู้สึกไหมรู้สึกไหมร้องอะไรมึ่งว่าไม่ได้เรื่องเลยทำเพลงเขาเสียอะ่างเงี้ยเคยรู้สึกไหมเลยไอ้คนเก่ามันร้องไม่ได้เรื่องไอ้คนนี้มันร้องดีกว่าเคยรู้สึกแบบนั้นไหมเจอไหมคนนี้ร้องดีกว่าคนก่อนนะอย่างเงี้ย ดูหนังมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งนะสร้างแล้วสร้างอีกอนะหนังแม่นาคเนี่ยกับหนังสี่แผ่นดินสร้างบ่อยเราอยาต้องเปรียบเทียบใช่ไหมเวอร์ชันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนั้นอันนี้พระเอกดีอันนี้นางเอกดีอะไรเงี้ยฟุ้งซ่านเนี่ยวัดใจตัวเองไปเลยเพอเห็นแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ไปเลื่อยมันยากแค่ไหนอ่ะไม่เห็นจะยากเลย อ่านใจตัวเองไปนะแล้วต่อไปเราจะปรับใจได้ในทุกๆสถานการณ์ส่วนการปรับตัวนะั้นขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ถ้ายังมีกำลังที่จะเรียนรู้ตามความเปลี่ยนแปลงได้ก็ปรับตัวได้ในการปรับใจนี่ต้องเรียนรู้ตัวเองให้ได้ถ้าเรียนรู้ตัวเองไม่ได้ปรับใจไม่ได้ถึงปรับตัวได้ก็เครียดอย่างคนทาธุรกิจประสบความสาเร็จมากนี่เครียดไหมเครียดนะ ยังยุคนี้ยังเครียดหนักเลยไม่รู้จะเจงเมื่อไหร่พลิกในเวลาไม่กี่วันเนี่ยพลิกเลยเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นสักตัวนะของเก่านี่พังเลยงัการปรับตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้มีความสามารถที่จะเรียนรู้มีความสามารถที่จะปรับตัวการปรับใจก็ขึ้นกับการเรียนรู้แต่เรียนรู้ตัวเองให้ไดนะ้งั้นถ้าเราเรียนรู้ไม่ได้เราก็ปรับตัวไม่ได้ เราเห็นรู้กายรู้ใจไม่ได้ก็รปรับใจไม่ได้ถ้าปรับใจได้นะเรายัางปรับตัวไม่ได้นะเร า, า จ, จะจนลงนะแล้วก็พักพวกเพื่อนฝูงไม่มีเหลือเลยเพราะว่าเราจนลงแล้วไม่มีใครครบะเอากลัวเราจะยืมเงินนะเหลือตัวคนเดียวบ้านถูกธนาคารยึดนะบ้านถูกธนาคารยึดทำไงอะ่ะไม่มีที่อยู่ละคนญี่ปุ่นนะเขาอยู่ในกล่องกระดาษนะ มีลังกระดาษเอามาต่อๆ อ, อ, อยู่นันแยะเลยประเทศที่เจริญนะยตามส่วนสาธารณะตำรวจทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะเลยว่าไล่ไปก็ออกไปก็ตายเลยหนาวตายนอนในกล่องลังกระดาษนี่แหละของเราก็ยังดีไม่หนาวเท่าเขาอยู่ในลังก็ยังอยู่ได้ถ้าปรับใจได้อ่ารู้สึกว่าวันนี้ยังมีชีวิตอยู่ อ่โชคดีล้วแค่ยังมีชีวิตอยู่ก็บุญแล้วล่ะบุญอย่างรักษาแต่ถ้ารวยนะแล้วก็ปรับใจไม่เป็นเครียดทั้งๆที่มีวัตถุมากแต่ไม่มีความสุขเพราะฉะนเรียนรู้เรื่องจิตเรื่องใจตัวเองให้ดีชีวิตจะได้มีความสุขในทุกๆสถานการณ์โชคที่ยังมีกําลังที่จะปรับตัวได้ก็ปรับไป ช่วงที่หมดกำลังแล้นะใจที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยจะทำให้เราไม่ถูกมากเท่าคนอื่นนะนี่ธรรมะทันสมัยมากเลยนะนะเอาใจตลาดนะเห็นพวกเรายัางโง่อยู่ <c oughs> อ่ะไปกินข้าวนี่หมดนะครับหลวงพ่อแล้วมีเนรเนี่ยปวดได้แต่เล็กๆนะถึงจุดหนึ่งหลวงพ่อยังให้ไปเรียนหนังสือเลย ออกไปเรียนรู้โลกไปเอสังคมพระอยู่ไม่ได้